นะโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธะนะโมติสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธะนะโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธะ ดานังเดติสีหลังรักติภาวนังพระเวตวาเอกจโจสักกังกัจติเอกจโจโมขังกัจตินิสยังตินวาระโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสธรรมเทศนา บรรณาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาและเป็นการอนุโมทนาบุญในงานสมโภชองก์ะถินแห่งวัดสันติธรรม ในวันพรุ่งนี้วันนี้อาตมาภาพได้รับราธนาจากจเจ้าว่าให้มาเป็นองค์แสดงประธรรมเทศนานับว่าเป็นเกียรติแก่ชีวิตของอาตมาภาพที่ได้มาพบปะสนทนาบอกธรรมะ ขององค์จุรลตประสมมาสัมพุทธเจ้าแก่ท่านสาวทุชนทั้งหลายวันนี้กล่าวถึงเรื่องบุญโดยเฉพาะบุญแห่งการทอดกะถินได้อรัสนาภาะสิทธุภาสิทธมาเป็นเบื้องต้นนั้นแปลเป็นความว่า เมื่อจะได้ทำกองการละกุศลคือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาตามคำสั่งสอนของพระบรมศ า, ศาสดาแล้วผู้ที่ทำน้อยหรือแม้ทำน้อยก็ต้องไปสู่สวรรค์ ผู้ที่ขยันทาจริงประกอบกับมีวาสนาบา ร, รมีแต่ห้นหลังก็ย่อมเข้าสู่พระนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้เป็นคำสอนที่ได้อัญเชิญมา เราท่านทั้งหลายได้สดับเพื่อเป็นนิตัสนะให้ได้ศึกษาอบรมเรียนรู้ซึ่งเรื่องของเป็นเรื่องของบุญเป็นเรื่องของกุศลเรื่องของบุญเรื่องของกุศลนี้มันเป็นคําสอนของพระพุทธองค์ ในโอวาทคำสอนสอย่างพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมะอันเป็นหลักในทางพระพุทธศาสตร์สนาว่าสภพวาปัสะสะอักลันังการไม่ทำความชั่วทั้งหลายทั้งปวงกุศลสูประสัมผัาการยังกุศลพุนงามความดีให้ถึงพร้อม สจัจจิตะพลโยทัพนังการชำระจิตของตนให้พองใสอันนี้เป็นคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายมีบทแห่งพระคถาต่อว่าเอตังพุทธนศาส น, นติพุทธศาสนังคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่อุบัติขึ้นมาแล้วในโลกนี ก็จะจะแสดงหลักธรรมอย่างเนื้อสประการไม่ทำความชั่วให้ทำความดทีทำจิตของตนให้ผ่องใสจากกิเลสเครื่องเศร้ามองทั้งหลายทั้งปวงจากกกาารจาหลักธรรมในข้อที่สองก็คือการทำจิตให้เป็นกุศล ทำกุศลให้ถึงพร้อมชาวพุทธเราทั้งหลายจึงได้ควนขวายในการทำบุญทำกุศลซึ่งหลักในการทำบุญก็มีอยู่สมประการดังที่ปรากฏในทุทธสิทธิมัมมาสิทิว่าให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา นี่เป็นหลักเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นชาวพทุทธนี่ก็ทําอย่างนี้กันมาโดยตลอดตั้งแต่จําความได้ เ, เกิดขึ้นมาในโลกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ชักจูงนําพาเราท่านทั้งหลายทําบุญอย่างนี้มาโดยตลอด เป้าประสงค์แห่งการทำบุญเพื่ออะไรก็เพื่อความสุขของชีวิตจริงๆเลือกคำว่าบุญก็คือตัวแห่งความสุขแต่เป็นความสุขอันเกิดมาจากเหตุแห่งการทำกุศลคือคุณงามความดีบุญเป็นเครื่องชำระจิตเราจึงให้ทานรักษาสินเจริญภาวนา เมื่อทำแล้วจะได้รับผลอย่างไรจะได้รับจริงตามนั้นไหมก็ดังปรากฏในธรรมภาสิตที่ได้ยกขึ้นไว้ว่าบางพวกเอกโจดบางพวกทำ ทำน้อยหรือแม้น้อยแน่นอนไปสู่สวรรค์คือการให้ทานรักษาศีลน่ไปสู่สวรรค์มีการเจริญภาวนาเข้าไปส ม, ส, มสมทบอีกก็เป็นเรื่องของการบําเพ็ญความดีทั้งหลายแต่ถ้าทมถ้าทรโดย ความตั้งใจโดยความขยันและมีบรารมีเก่าที่ได้ทำมาแต่คนหลังเนี่ยแน่นอนย่อมเข้าสู่พระนิพพานพรนิพพานนี่เป็นอุดมมคติอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาแปลว่าสภาพอันหาเครื่องเสียดแทงไม่ได้ แปลว่าความดับนิพุติเนี่ยแปลว่าแปลว่าดับดับในที่นี้หมายถึงดับอาสวะดับกิเลส ท, ทั้งหลายอันเป็นมูลเหตุที่จะให้เราต้องทำกรรมทางกายทางวาจาทางใจ กรรมที่เราทำเนี่ยถ้าเป็นกุศลก็นํามาซึ่งความสุขเรียกว่าบุญมีบุญเป็นผู้มีบุญถ้ากรรมใดที่ทําแล้วเป็นอกุศลนั่นก็เป็นความทุกข์เรียกว่าเดือดร้อนเดือดร้อนในภาวะ ปัจจุบันก็ได้รับการติชินนินทาว่าร้ายว่ากล่าวทุบทิบมีประการต่างๆสร้างความเตือนร้อนให้เกิดขึ้นแก่สังคมเกิดจากการได้ฆ่าได้ทรมานได้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมยหรือทำลายเชื้อสายประเพณีของสังคม เป็นต้นทางกายทางด้านวาจาก็คือการกล่าวทำให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเช่นกล่าวเท็จพุดปดผุดเท็จผุดสอเสียดก็ให้เกิดโทษเกิดความเสียหายหรือการพูดวาจาไราสาระผุด่ราต่างๆเหล่านี้อันเป็นส่วนแห่ง ทำให้ผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยการการทำบนนุญคือทำทำบุญทาความดีให้เกิดขึ้นกับตนกับตัวเมื่อทำแล้วเนี่ยมีความสุขในขณะมีชีวิตอยู่ตนเองก็ภาคภูมิใจ นชมผู้รู้ทั้งหลายเขาก็ชื่นชมสรรเสริญยกย่องให้เกียรติเคารพนับถือถบุคคลทำยิ่งใหญ่เขาก็ได้ได้สร้างสิ่งที่เป็นอนุสรเรียกว่าอนุสาวรีย์ ให้แก่บุคคลผู้ผู้ประกอบคุณงามความดีเป็นเป็นเนติเป็นแบบอย่างของสังคมของชนในรุ่นต่อไปอันนี้คือการสร้างอุสลคุณงามความดีบุญที่เราทำได้หลังที่เราท่านทั้งหลายได้ศึกษาได้เรียนรู้มา ตามหลักนามพุทธศาสนาก็มีมีหลักอยู่สามอย่างก็ เ, เรียกว่าบุญกิเลยวัตถุคือหนึ่งให้ทานก็คือความเสียสละรับสมบัติของเราที่มีอยู่ให้แก่บุคคลที่ควรให้สิ่งของที่ควรให้ปฏิควรให้ก็ ผูายาย้มีอุปการะคุณแก่เราแก่แก่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายมีอุปการะคุณทั้งหลายนี่เป็นการบูชาเ ป, เป็นการบูชาคุณของท่านที่ท่านได้ให้ชีวิตให้กำเนิดของเรามาแด่เกิดขึ้นลืมตาดูโลกนี่คือเป็นผู้มีพระคุณแก่เราทั้งหลายโอ้ ใดมีพระคุณแกเราลำลึกนึกถึงคุนของท่านนั่นถือว่ากระตันอยู่มีโอกาสแล้วก็ให้ตอบแทนหนักนั้นก็ผู้ลำบากตกทุกข์ได้ยากหรือผู้ประสบภัยมีประการต่างๆก็ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์เป็นการอนุเคราะห์ ในอย่างหนึง่งและในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็จะให้ให้ให้ทานให้บริจาคแก่สมณะนักบวชที่ท่านได้ทำหน้าที่ศึกษาสืบสารต่อคำสอนของพระพุทธองค์คำสอนของพระพุทธองค์ เมืพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนี่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงธรรมะของพระองค์เนี่ยเป็นสัจธรรมความเป็นจริงเป็นสวาคตรธรรมตรัสไว้อย่างอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นเป็นความจริงว่านี่ทําสิ่งนี้เป็นกุศลกุณงามความดีทําแล้วได้รับความสุขความเจริญ ชีวิตเป็นสุขทั้งภพนี้และพระโลกเบื้องหน้าสิ่งนี้ทำลงไปแล้วเดือดร้อนเรียกว่าบาปแต่ว่าเดือดร้อนผลเป็นความทุกข์เมื่อทำแล้วทำให้สังคมเดือดร้อนสิ่งไม่ดีไม่งาทั้งหลาย เมื่อมีผู้รู้ผู้เห็นเขาก็ตำหนิก็มีเจ้าหน้าที่จับกุมคุมขังก็เอาไปจำขังเอาไปพันธนาการพันธนาการในคุกในตลางได้รับความเดือดร้อนทรมานแสนสาหัสอันนี้ไม่ดีเป็นบาปบุคคล เมื่อได้รับในฐานะเป็นชาวพุทธได้รับฟังคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ขวัขวายศึกษาเรียนรู้นำมาพืสนปฏิบัติเมื่อประพฤติปฏิบัติในธรรมของพระบรมม า, า, าสัตดาแล้วเนี่ยแน่นอนธรรมะของพระองค์เนี่ยย่อมให้ผลย่อมให้ผลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว จะคำสอนของพระองค์เป็นนิยานิกรธรรมสา ม, มารถนำออกจากทุกข์ได้จริงเพราะฉะนั้นน่นิพพานน่คือความดับกิเลแลนกองทุกที่สุดของการพึสปฏิบัติธรรมนั่นก็คือไปให้ถึงที่สุดแห่งทุก ท, ทุกคืออะไร ทุกนี่เป็นเป็นผลที่มีมาแล้วในอดีตเราจะเกิดมากี่พบกี่ชาติความทุกข์นี่มันก็ยังอยู่พระพุทธองค์เนี่ยได้บำเ พ, พบบ็ญพระบารมีมาหลายพบหลายชาติหลายกับหลายกันจนกระทั่งมาในชาติปัจจุบันนี้พระองค์ได้คํานึงได้พิจารณาเห็น ความทุกข์ที่ครอบงำมหาชนทั้งหลายว่าคนทั้งหลายเนี่ยในโลกเนี่ยมหาชนทั้งหลายเนี่ยถูกทุกข์เนี่ยครอบงำแม้พระองค์ก็ถูกทุกข์ครอบงำมาหลายภพชาติแต่วิสัยของทุกข์นั่นคืออะไรทุกข์ก็คือแก่ทุกข์คือเจ็บทุกข์ก็คือตายอันนี้เป็นสภาวะทุกข์ที่ครอบงำจนทั้งหลาย ทุกข์คือความโศกเศร้าโศกกาาดุลข่ำกรวนที่ไรลลำพันธประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจทัดพลักจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นต้นอันนี้เป็นความทุกข์ที่จอดมาพลางังแต่ความทุกข์นี่มันน้าที่จะหาทางแก้ไขหาวิธีทางแก้ไขได้ พระ เ, เจ้าคำเนึ่งถึงว่าเมื่อมีร้อนก็ต้องมีเย็นมีมืดก็มีสว่างเป็นตนเะนเั้นทางแก้ทุกข์นี่ต้องมีต้องทำได้แต่วิสัยของของคาวาดเนี่ยมันมันหาช่องทางที่ลำบากมา ถ้าจะหาทางแก้ทุกข์นั้นมันต้องมันต้องปลีกมันต้องปลีกวิเวกคือออกบวชใช้คำว่าพินิจกลมถ้าเป็นขืนเป็นชาวบ้านเนี่ย ม, มันมันมีมันคับแคบมันมีห่วงมีกังวลคับแคบด้วยอารมณ์แห่งความรักอารมณ์แห่งความชังอารมณ์แห่งความหลงอารมณ์แห่งความเมา เก็เกี่ยวอย่างนั้นนะเรามีห่วงเรามีห่วงห่วงลูกห่วงเมียห่วงสามีห่วงทรัพย์สมบัติผนยากมันต้องสละสละัดองค์ก็เลยออกออกพินิจกลมแล้วออกบทตระแวงหาทางพ้นทุกข์ใช้เวลาใช้เวลาหปนะีถึงถึงได้สำเร็จ ในวันเพนเดือนหวอิสขะอิสรบูชาเมื่อสำเร็จแล้วพระองค์ก็ใคร้ครวนธรรมะที่พระองค์ได้ตัสรูมาซึงเห็นว่าเป็นของสุขมุมลุ่มลึกยากนักที่บุคคลผู้มีกิเลหนาปัญญายากจะให้ถึงได้แต่มันก็มีวิสัยที่จะพ้นได้ เพราะว่าสติปัญญาของมนุษย์เราเนี่ยมันไม่เท่ากันบา ร, รมีที่บําเพ็ญมาไม่ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเพียงแค่แสดงทาเล็กน้อยยกหัวข้อขึ้นป๊อปอ๋อเลยดูแล้วนี่อุกอติตันยูเปรียบเหมือนบัวพน้ำ บางพวกนี่ต้องขยายสุภาษิตนั้นให้ดวยเหตุด้วยผลพอเข้าใจอลองอ๋อเข้าใจนี่เรียกว่าวิปติตัอยู่แต่มันบวที่อยู่เสมอน้ำอยู่ในน้ำอีกพวกหนึ่งอันนี้ต้องอาศัยอาศัย บำเพ็ญบา ร, รมีต้องันภาวนาต้องทำจำม่มเสมอบำเพ็ญบา ร, รมีไปเรื่อยๆณนะวันหนึ่งก็ร้องอ๋อคือเข้าใจเข้าใจธรรมะแบบนี้ก็เรียกว่านยะนยะสามพวกนี้เรียกว่าเวนในยสัตว์เวนไนยสัตว์คือสัตว ผู้สามารถที่จะกระชั้รู้ตามธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ได้คือสอนได้สามารถเข้าถึงพระนิพพานได้เว้นแต่พวกเดียวเอเวนไนยสัตวะปัฏฐะปรละมะถึงแปลว่าผู้หนาผู้มีกิเลอหนาอย่างยิ่งปรมะแปลว่าสุดยอดปัฏฐะแปลว่าหนา ใช้เหมือนกับเหมือนกับพื้นท้าวของเราเนี่ยเป็นส่วนาเราจะว่าบัตทบาทานอันประเภทนี้ท่านเปรียบเหมือนว่าเหมือนบัวที่อยู่ใต้น้ําอยู่ในโคลนตมอยู่ในขี้เปอะโอกาสที่จะหลอดขึ้นมาดียากเหมือนเป็นอาหารของปลาของเต่าเท่านั้น เมื่อพระองค์พิจารณาดังนี้แล้วนะบุคคลผู้เวเนยมียังมีอยู่พระองค์ก็เลยตัดสินใจว่าอ้าวแสดงธรรมแสดงธรรมให้แก่ชาวโลกตัดสินใจแล้วพระองค์ก็แสดงระลึกถึงบุคคลที่สมควรจะรับฟังพระธรรมเทศนาเวลานั้นพระองค์นึกถึงอาจารย์สองท่านคืออัลลาห์ระบด และอุทกกรดาบทลามบุตรที่เคยสอนเคยเคยไปศึกษาฌานฌานสมาบัติสองท่านนั้นท่านชนานาญเรื่องของฌานสมาบัติเตตสมาบัติ8จนพระองค์ได้ได้ได้ฌานแต่ว่าฌานที่สองท่านนั้นได้และที่พระองค์ไปศึกษานั้น มันยังไม่ได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดของฌานนั้นด้วยกำลังฌานนั้นก็ไปไปอุบัติในในพรหมโลกไปต้องไปไปสวยวิบากในพรหมโลกหมดอายุของพรหมนั้นก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ มันจะเวียนวายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตรอย่างเนี้ยไม่จบไม่สิ้นแล้วสองอาจารย์สองท่านนั้นทั้งก็ไปเกิดในพรห ม, มโลกโลกอย่างเสียดายอย่างเสียดายหากว่าทั้งสองท่านนั้นไม่เสียชีวิตแค่พุทธเจ้าจแสดงทำยกหัวข้อท่านนั่นแหละพทตันเป็นอุคติตันยูนก็จะตรัสรู้ได้ถึงที่สุดแห่งทุกได้ เราก็ระลึกนึกถึงปัญจวัคคีระ ล, ลึกถึงปัญจวัคคีที่มาอุปถากในสมัยที่หลังจากที่ออกพิเนตกลมปัญจวัคคีห้าท่านนั้นก็ทรบข่าวคือตะแคงหูฟั ง, งอยู่แล้วว่าพระมหาบุรุษจะออกบวชจริงตามคำทำนายนั่นไหมพอออกบวชป๊อปเอาละเชื่อลวว่า ตามคำทนายนะั่นเป็นจริงออกบทแล้วก็ไปอุปถาหวังเมื่อเมื่อท่านบนรรลุโมกะธรรมแล้วเนี่ยจะได้สอนให้เราได้บรรลุบ้างแต่แต่พระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญผูกคักิริยาซึ่งเห็นว่าผิดทางทำอย่างที่สุดแล้ว ก่อนกลันลมหายใจกดเพดานด้วยลิ้นกดอาหารทำอย่างที่สุดไม่มีใครที่จะสามารถทำแต่ไม่สำเร็จโลงก็เลยมาหวนนึกถึงการบำเพ็ญเพียรทางจิตในตั้งแต่สมัยเป็นกุมารได้ฌานได้ปฐมฌานเพราะทำจิตให้เป็นสมาธิ ก็เลยเห็นว่าอ๋อทางที่จะบรรลุเนี่ยก็คือต้องมาทำบําเพ็ญเพียรทางจิตแต่ว่าการจะบําเพ็ญเพียรทางจิตเนี่ยกาลังวังชาในขณะนั้นพร้อมรูปร่างพร้อมไม่มีกําลังต้องบํารงพอหันมาบารงเท่านั้นแหละปัญจบุีก็ห น, นีเข้าใจว่าพระองค์เนี่ยลายจากความเพียรเวียนมาเป็นคนมากมาก กาลยนีไปอยู่ป่าอิสิปตนมฤดกายวันเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดรู้แล้วเระลึกนึกถึงว่าทั้งหมดเนี่ยนเป็นอุคติตันยู่เป็นวัวพลน้ำก็ตัดเยใจไปแสดงธรรมก็เดินทางจากบริเวณต้นโพนไปถึงป่าอิสิปตนมรดกตายวัน ก็ได้ไปสดวว่าได้ไปแสดงธรรมให้แก่พันจัวคีธรรมนั้นที่เรียกว่าธรรมาจักกับประวัตนาสูตรกล่าวถึงที่สุดสองอย่างที่บรรพชิตไม่ควรเสพแล้วก็แสดงธรรมมาเป็นสายกลางที่เรียกมัชจิมาปฏิปทาที่เรียกว่ามัมาากมอันประกอบไปด้วยองแปดจนท่านเหล่านั้นได้สำเร็จ พันกรธัญญาได้เป็นได้ดวงตาเห็นธรรมได้ขอได้ขอบวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนาภิกษุอีกสีหรือสีอีกสีลูกก็ขอบวชแล้วก็ฟังธรรมได้เป็นพระสวดาบัมมีความพร้อมองก็แสดงธรรมอันเป็นสุดยอดเรียกว่าอนัตตระกัาสูตรจนทั้งหมดสำเร็จเป็นพระอรหันตี น, นาศก อันนี้คือความการปฏิบัติได้เข้าถึงซึ่งความดับทุกเรียกว่าทุกข์ัดขันได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เป็นเออเป็นภกิจนาศบจบพรหมจรรย์การศึกษาไน้หมดหมดแล้วไม่ต้องศึกษาต่อแล้วมันจบแล้วจบพรหมจรรย์ รู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วขี่นาศกิจอื่นที่จะทําทไม่มีแล้วมันจบแล้ว เ, เป็นพระละหันพระเจ้าก็แสดงทาไปเรื่อยจุงกระทั่งได้เผยแผ่พุทธาถนามั่นคงในชมพูทวีปปักหลักมั่นและอยู่ได้มาถึงอายุแปดสิบลงก็เสด็จดับทธาบริพาร พระธรรมของพระองค์สืบมาจกนกระทั่งปัจจุบันเนี้พราะว่าอาศัยประสงค์สืบต่อให้เราชาวพุทธทั้งหลายได้เรียนรู้ได้ศึกษาปฏิบัติได้รับความสุขตามสมควรแก่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ปฏิบัติให้ถึงซึ่งพระนิพพานแปลว่าความดับกิเลส ดับอาสวะกิเลสและกองทุกข์เพราะการปฏิบัติเริ่มที่ว่าการทำบุญทำบุญคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเมื่อทำแล้วดังที่พุทสุภาษิตได้กล่าวว่าบุคคลแม้ทำน้อยหรือว่าทำน้อยถึงแม้ว่าทำน้อย แต่ว่าจิตใจน้ามุ่งมั่นแน่นอนไม่วิปลิตคือไปสู่สวรรค์สักขะปลายนาไปสู่สวรรค์เป็นเทพเป็นเทวดาเป็นสวรรค์ชัน้นหกชั้นนชั้นจตุมมหาปราชิกชั้นดาวดึงชั้นยา ม, มาชั้นดุสิตชั้นนิมมาะราดี ชันพลันเนตตบตวตีถึงสวรรค์<ม>นอนแต่ทำยิ่งไปกว่า น, นั้นก็โดยโดยทำจิตให้สงบได้ฌานได้สมาบัติรืมยมาถือสินสินแปดสินอุโบสถตั้งใจทำจริงก็เข้าสู่ความสงบแหง่งจิตในกาปรปลมโลกเป็นปลม แต่ถ้าตั้งใจตั้งจิตตั้งใจทําจริงโดยอาศัยบุญเก่าแต่หนหลังวัสนาบา ร, รมีแน่นอนทุกคนใครปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ทำแก่กําลังปฏิบัติแน่นอนย่อมถึงพระนิพพานถือว่าแปลว่าดับกิเลกและกองทุกกองทุกก็คือแก่เจ็บตายกิเลกก็คือเครื่องเศร้าหมอง แา่อาสาวะสิเลสก็อาสาวะกับเรา ว, ว่าเครื่องหมักดองเครื่องหมักดองเหมือนเครื่องดองอะไรต่างๆนี่แหละหมักดองมันจะมีสม้มมันจะมีบดนี่ลกักษณะของอาสาวะแต่พุทธเจ้ากลาว่าอาสาวะมีอยู่สามอย่างอาสาวะกามาสวะอา ส, า ว, ะอาสาวะคือกามภ า, าวะสวะอาสาวะคือพบ อวิชชาสวะสวะคืออวิชาาวชากามก็คือเกิดจากการด้ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกด้กลิ่นลิ้ลมรสตาจูกต้อังโพธภะอันเป็นส่วนแห่งอิทธารมอนิธารมคือสิ่งใดที่ไม่ชอบใจเป็นอนิธารมก็ไม่ชอบไม่พอใจสิ่งใดที่เป็นอิทธารม ทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสพรึงพอใจก็ใครไขว่คว้าปรารถนาอยากได้มากอันนั้นเป็นส่วนแห่งกรรมมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นลุ่มหลงจุงใจจะลงใจแล้วก็อาจจะมีต้องให้ความสุขให้ความทุกข์ปะปนกันไปอันนี้เป็นกรรมอาสวะอาสวะคือกรรมภา ว, าาวะ อาสวะคือภพภพก็คือถิ่นที่อยู่สถานะสถานะก็คือตำแหน่งหน้าที่เช่นมนุษย์คนเราเนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคมนี่มันจะมีชั้นมีชั้นวรณนะมีการบังคับมีการปกครองงกันและกัน ตั้งแต่ผู้หน้าระดับผู้หน้าของประเทศมียศแล้วก็มีตำแหน่งผู้ที่มียศน้อยกว่าไขว้คว้าปรารถนาจะเป็นมียศใหญ่มีตำแหน่งใหญ่เพื่อจะได้บังคับบัญช า, อ ย, าอย่างเหมือนเป็นเหมือนเป็นพระนี่ตำแน่งเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณานะตำบลเจ้าวณาะอำเภอเจ้าคณาะจังหวัด ก็ปรารถนาอยากจะไปให้ถึงระดับนั้นความปรารถนาถ้าหรือไปถึงระดับนั้น mm hmm. ก็เรียกว่าพบถิ่นที่อยู่เป็นตำแหน่งอันนี้มันมันก็เป็นเครื่องผูกพันทำให้จิตใจลุ่มหลงเมื่อติดอยู่พบเนี่ยมันก็มีการสั่งการทำาเหมือนใน สมัยโบราณกษัตริย์กษัตริย์ออกมาบวชกับพระพุทธองค์เป็นจํานวนมากกษัตริย์เหล่านั้นที่ออกบวชมีคํานึงถึงว่าถ้าเราเป็นขราวาสเป็นกษัตริย์มีอํานาจเนี่ย ก, ก็ก่อกมทําเข็มมากเมื่อก่อกรรมทําเข็มโดยโด้วยหน้าที่จริงๆแล้วก็เป็นด้วยหน้าที่ มีกฎหมายก็ต้องใช้กฎหมายบังคับบัญชาอาจจะสั่งประหารตร้องเซ็นคําสั่งประหารชีวิตคนก็เป็นการทำบาปอย่างหนึ่งนึกถึงอ๋อไม่เข้าทาเลยต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตอีกยาวนานไม่เอาแล้วสละออกบทเป็นการตัดวัฏฏะแห่งความโลภความโกรธความหลง วนเรื่องอำนาจของกิเลสเมื่อมีกิเลส ก, ก็ทำกรรมเมื่อทำกรรมจมได้รับวิบากได้รับวิบากแล้วมีกิเลสเกิดขึ้นก็ทำกรรมเมื่อทำกรรมทั้งดีทั้งชั่วก็ได้รับวิบากก็วนเวียนกันอยู่อย่างนั้นไม่อไม่จบไม่สิน้นออกบวชแสวงหาโมกะธรรมนะก็เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยพบชาติเมื่อมีพบเ ม, มื่อมีภาวะสวะเมื่อมีพบไปจะมีชาติแปลว่าความเกิดเมื่อมีชาติแล้วมีอะไรต่อชะลาตามมาปยาธิตามมามรณะก็ตามมามะกะามมา็กเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตนี่เราไม่จบไม่สิน้นเพราะฉะนั้น ออกศึกษาปฏิบัติเพื่อให้ถึงถึงพันิพานหรือ ว, วิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นแปลว่าหลุดพ้นพ้นจากอาสวะกิเลสนะฮะหรือใช้คำว่านิโรธแปลว่าความดับความดับกิเลสและกองทุกข์อันเดียวกันใช้ชื่อเรียกแทนกันมีมีการใช้ชื่อเรียกแทนกันตั้งแปดอย่างพันิพาน แค่ขวามัธนมันผิภาศวินโย อ, อารยสบุคาโตวัตตุปเชโตตันหักคโยนิโรโทรนิพานังใช้ชื่อเรียกแทนกันก็สภาพเดียวกันอันนี้คืออาสวะกามาสวะภาวาสวะอาสวะอันสุดท้ายนั่นก็คืออวิชชาสวะ อวิชชาแปลว่าความไม่รู้ความไม่รู้มันตรงกันข้ามกับคําว่ารู้ซึ่งแปลว่าวิชาเอาว่าไม่รู้นี่หมายถึงอะไรพระโตองค์ได้แสดงให้พระปัญจวคีว่าอาวิชชาสวะคือไม่รู้ว่าอันนี้ทุกข์ไม่รู้ว่าอันนี้สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ ไม่รู้ว่านิโรธความดับทุกแล้วก็ไม่รู้ว่ามักอันข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกไม่รู้ไม่ไม่รู้ทุกสมูทัยนิโรธมากนะแล้วเอาวิชาเมื่อไม่รู้แล้วมันก็คลาไปอยู่นั่นละเมื่อมีอวิชาแล้วอะไรเกิดขึ้นต่ออวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดน้ำปลูกน้ำปลูกเป็นเหตุให้เกิด อายตนะอายตนะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาก็เป็นเหตุให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็เป็นเหตุให้เกิดภพภพก็เป็นเหตุให้เกิดชาต่์พอมีชาติเกิดแล้วอ้ายดังที่กล่าวมันจะต่ลงชะลาตามมาพยาธิตามมามรณะตามมาทุก вот ทั้งหลายเนีย่ยตามมาเลย นเนพระฉะน น, นั่นน่ิพา น, น็คือดับอาสวะดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราชาพุทธทั้งหลายเนี่ยมาบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีบำเพ็ญบุญให้ทานรักษาสินเจนริญภาวนาทั้งหลายเหล่านี้แน่นอนแม้ทำน้อยก็ต้องไปสู่สวรรค์หรือว่าสุขติ สุขติภลายนาไปสู่สุขติโลกสวรรค์ถ้าทามากขยันพร้อมเปวัฒนาบา ร, รมีก็ย่อมเข้าถึงพระนิพพานดังที่ได้กล่าวงนั้นวันนี้เราท่านทั้งหลายในวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญที่เราจะได้มีจิตอันเป็นกุศลได้นำข่ามาถวายประสงค์นวัดสันติธรรม จึงได้จำพรรษามาครบต้นไตรมาสได้รับอนิสง์แห่งการจำพรรษาเราได้หาผ้ากรถิ่นมาถวายนอกจากถวายพระที่วัดสันติธรรมก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่ทางวัดได้รัถนามาจากสำนักต่างๆในสำนักวัดป่าวัดประกรรมฐานหลายที่หลายแห่งมาเพื่อรับ ทายาานท่าใจจีวรที่เราทั้งหลายขวัขวายกันมาทุกคนมาเป็นเจ้าภาพเพราะว่าหลังจากที่พระสงฆ์จำพรรษาครบพ้นใจมาก3เดือนแล้วเนี่ยหลังจากออกพรรษาตั้งแต่แรมหน่ค่ำเดือน11บเอ็ตั้งแต่รัวเดือนเกียงไปจนถึงแพ่น1 2ค่าแผ่นสิบหาค่ำ เดือนสิบสองเราเรียกกันทางเหนือเรียกว่าเดือนยี่เป่งหรือช่วงวันลอยกระทงเนี้ยหนึ่งเดือนท้ายเราดูฝนนี่พระองค์เปดิดโอกาสให้พระสแสวงหาผ้ามาผัดเปลี่ยนนั้นหลายหลา ย, หลายวัดนี้ก็นำเอาผ้ามาถวายผัดจีวรผัดสบงแล้วแต่ มาผัดเปลี่ย น, พาพานผ้าหรือผ่านมาเกล่ยผ้าจำนำพรรษาแต่ถ้ามีพลัะบดีฐานะบดีบางคนจะถวายผ้ากระินผ้ากรถินเนี่ยมันเป็นพระพุทธานุญาตที่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้โอกาสภิกษุสงฆ์ให้โอกาสยัดยมทั้งหลายได้นํามาถวายถวายมีเวลาจํากัดด้วยนะ หเดือนท้ายเราดูฝนเท่านั้นเราจะถอดกะถินถอดกะถินกับให้พระที่จําพรรษาครบกใครมากให้สงเท่านั้นคือตั้งแต่ห้ารูปขึ้นไปเป็นการสงแล้วก็มีจํากัดด้วยคลาวคือแต่ละวัดเนี่ยจะรับกะถินได้เฉพาะครั้งเดียวครั้งเดียวจะรับเป็นสองเจ้าสามเจ้าไม่ได้ บางทีพระนั้นกาฐีนะีจึงมีการจองเมื่นมีผูใ้ใดจองแล้วก็เอาละถือว่าเป็นที่ตกลงกันแน่ชัดแล้วว่าคุนี้จะมาเป็นเจ้าภาพอานํำผ้ามาถวายแล้วก็มีเวลาเพ็นแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นกิจที่ทำประสงค์ประสงค์ช่วยกันตัดผ้าเย็บผ้าเป็นเป็นสา ม, มัคคี ให้แล้วเสร็จภายในวันนั้นให้แล้วเสร็จภายในวันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกรถินเนี่ยจึงเป็นบุญอั น, อนสําคัญที่ประสงค์ได้รับที่ญาติโยมได้มีโอกาสมาถวายประสงค์หมดพ้นจากเดือนนั้นไปแล้วก็จะทอดกรถินก็นทอดไม่ได้แล้วเพราะว่า ไปให้โอกาสเท่านั้นจะส่งช่วยขอนขวายทำผ้าที่ได้มาก็เป็นผ้าอันบริสุทธิ์จะไปเช่ามาไม่ได้ผ้าด้วยเป็นฮิสกี้เอามาทำก็ไม่ได้ผ้าต้องตังบริสุทธิ์ที่หยาดยมนะี่ยขอนควายหามาก่อนจะถวายยกขึ้นเทินไว้บนทิศะเอาเป็นบุญบิญจบสูตรอย่างยิ่ง ทำแล้วทำแล้วพระสงค์ก็ได้อานิสงส์ทางด้านพวินัยเป็นบางข้อบางหมวดแต่ยัดยมก็ได้บุญได้บุญได้อานิสงส์แห่งการถอดกระินเพราะว่ามีเวลาจำกัดต้องรีบเร่งทำให้สำเร็จพระเจ้าเจ้ากล่าวว่าบุคคลผู้ทำบุญเนี่ยย่อม ยอมได้รับอนิสงฆ์ทางด้านทรัพ์สลึงคารมั่งคั่งร่ำรวยรวยบุญเป็นผู้มีหิวพันวันนะของใส ท, ที่เรียกว่าสุวรรณตามีรูปร่างงดงามที่เรียกว่าสรูปตาทนี้การทกตินี้ยอมได้ ได้บริวารได้เพิ่นฝูงได้คนมาช่วยเพราะฉะนั้นในการการทอดกะถินแต่ละครั้งแต่ละคราวนีจึงมีการบอกกล่าวเชวญชว น, ชวนให้มาร่วมทาบุญไม่ไม่ทำเองมันก็มีมันก็มีม ก, มการทาบุญพระพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้ว่าคนบางคนคนบางคน ทำบุญเนทำเองไม่บอกใครเนี่ยกมีอันิสง์เหมือนกันมีอันิสง์มากเกิดมาเนี่ยร่ำซ้ำร่ำรวยมากโดยทรัพย์สรึงคาญสังหาริมะอสังหาริมะคือรยอ่ะรวยแต่หาหาพวกพวกหาบริวารไม่ได้บางคนเนี่ยบอกคนอื่นประชาันพันคนอื่น แต่ตนเองไม่ทำอันนี้มีพักพวกเพื่อนฝูงคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลคือมีบริวารแต่ว่ายากจนไม่มีทรัพย์บางคนนี่ทั้งทำเองด้วยทั้งบอกกล่าวเชิญชวนผู้อื่นมาทาด้วยอันนี้จะมากมายด้วยทรัพย์เจริญขานพร้อมทั้งบริษัทบริวาร ส่วนคนที่ไม่ทำทั้งไม่ทําเองทั้งไม่บอกกล่าวเชิญชวนเนี่ยอันนี้แน่นอนพระเดเจ้ากล่าวว่ากินแต่บุญเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีงานกรถินแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยผู้เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็จะบอกกล่าวเชิญชวนให้มาร่วมกันบริจาคจริงๆแล้วความสําคัญของกรถินก็คือผ้าผ้าผืนหนึ่ง มีมากกะทำเป็นพระสังคติคือผ้าคลุมถ้ามีรองลงไปก็ทำผ้าห่มคือผ้าจีวรถ้ามีน้อยก็อ่ะไม่เอาเอาผ้าเอาผ้ า, า, า, านุ่งคือผ้าเสบงคืออันตราวาสบก็ได้แต่ว่าในจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละวัดเนี่ยก็จะทำแต่ผ้านุ่งเพราะว่าต้องการทำให้มันเสร็จภายในวันนั้นเพื่อไม่ให้กรินนั้นดอก เพราฉะนั้นเนี่ยการทอดกฐินเนี่ยจึงเป็นงานงานใหญ่งานบุญอันมหาศาล น, นอกจากได้ผ้าแล้วเนี่ยแต่ละวัดแต่ละที่เนี่ยก็มีการพัฒนาวัดมีการสร้างเสนาสนะตั้งโบสถ์ตั้งวิหารศาลากา ร, รเรียนกุฏิห้องน้ำห้องครัวแล้ว แ, แต่ก็อาศัยประชานสัมพันธ์ งา น, งานการบญกะถินนี่เนี่ยงานพระป่ายังได้ไม่เท่างานกะถินนี่ได้มากก็เพื่อจะได้พัฒนาวัดนั้นให้ให้สมบูรณ์ต่อไปเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายได้ร่วมใจร่วมกันมาเพื่อจะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกะถินในในวัดนี้ ือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่บุญอันมหาศาลได้สนองได้สนองเจตนาของวัดที่ทำกิจกรรมนั้นๆได้สนับสนุนพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ให้ได้รับถึงอานิสงส์ถึงพระสงฆ์จะได้มี ม, มีอานิสงส์อยู่5ประการทางด้านพระวิ น, นัย แล้วเป็นการก่อบุญก่อบกุศลให้เกิดความสุขความเจริญความสุขตั้งที่ได้กล่าจะ ต, ต้นหวานหนึ่งแน่นอนสวรรค์นี่ได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าถัดทำได้มากนอกจากคานศีลมาเจริญภาวนาโดยความตั้งอกตั้งใจก่อไปด้วยฉันทะวิริยะมีจิตฝักไว มีความใขว้รวนทำต่อเนื่องย่อมได้รับคนได้รับอนิสงส์โดยโดยไม่ต้องสงสัยพระพุทธจ้าคพระพุทธเจ้าพระรพระทรุทธองค์กล่าวว่าทรานไม่ได้พูดถึงดิลชัานไม่ได้พูดถึงดิลชานเพราะว่าดีิลชานก็คือสัต ว, ว์สี่เท้าสองเท้าสัตว์ปิกสัตว์เลื้อยคานตรเนี้อันนี้ถึงแม้จะมีลมหายใจร่วม ก, กันกับมนุษย์นี่นะ แต่เขาเป็นเ ข, เขาตกอบายเขาตกอับายอบายยภูมิแปลว่าถินที่ไม่เจริญทินที่ไม่เจริ ญ, รญคือเขาสร้างบุญไม่ได้ทางกุศลไม่ได้ไม่รู้เลยหึ่งแม่สัตว์บางตัวเราจะสอนให้เขายกยกเท้ามาทำท่านบทำท่าไหวเขาก็ทำได้บัวฉาบัวควายช้างมา้าเราสอนให้เขาทำงานเขาทำได้แต่เขาทำบุญไม่ได้ เขาะจะไม่ให้ทานไม่ได้เขาไม่ได้รักษาสินเขา ะ, จะเจริญภาวนาไม่เป็นไม่รู้แว้งแต่นมนุษย์พราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายนี่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐพุทธเจ้ากล่าวว่ากิดโจมนุษย์สาปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์เป็นการได้ด้วยยากอิกขังมัจาณชีวิตต่างเป็นมนุษย์แล้วจะรักษาชีวิตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ย ได้มาเจริญได้มารัได้มาให้ทานรักษาสินเจริญภาวนาได้มานั่งฟังธรรมนี่ก็เป็นการได้ด้วยยากจิตจังสัทธธรรมสวนางการการชีติได้มีจิตเป็นกุศลมาฟังธรรมนี่ก็ยากยากและข้อสำคัญติตโฉมตกฎพุทธานามุข ป, ปะโท การได้พบพุทธเจ้าก็เป็นการยากอย่างในพระพุทธพระองค์การที่เรามาได้ได้ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเนี่ยบุญของเราเป็นลาภอนันประเสริฐพก่อนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยที่เราทำกรรมอะไรไว้ในอดีตชาติมากมายเท่าไหร่เมื่อทำกรรม อันเป็นกุศลก็ไปเกิดในอบายกว่าที่จะหลุดพ้นจากอบายมามาเป็นมนุษย์อยู่บางคนเนี่มุกขมอมเนี่ยเหมือนกันตกในน้ำน้าคลาเนี่ยก็เปียกปอนไม่สะอาดการที่ได้เป็นมนุษย์นี่สูตรยอดแต่การจะรักษาชีวิตมาถึงปัจจุบันนี่บางทีก็เจออุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บ ซึงสารพัดที่มันจะมีมาโลกในปัจจุบันเนี่ยมาเรื่อยๆแหละความผูกการพัฒนาโลกเราหลุดมาถึงนี้อายุขนาดเนี้ย ไ, ไม่ไม่ธรรมดาลาบของเรามีจิตเป็นกูส น, สนมีจิตเป็นสัมมทิสติสนใจที่จะฟังทรรมปฏิบัติธรรมนี้ก็ถือว่าสุดยอดเป็นลาบอันภรเสริ การได้มาพบพุทธศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยแต่ละพระองค์จมมาอุบัติเนี่ยต้องสมัยเกลียยุกนะแต่ละพระองค์เนี่ยก็ศาสนาตั้งอยู่ได้เท่านั้นเท่านี้ปีบัดนี้เราทาั้งทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้มีบุญได้ทุกอย่างได้เป็นมนุษย์รักษาชีวิตมาจนกระทั่งถึงวันนี้ได้มีจิตเป็นสมถมติได้ตั้งใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมแน่นอน ผู้ใดปฏิบัติธรรมตามตามธรรมตามสมควรแก่ธรรมย่อมได้รับผลแห่งการปฏิบัตินั้นตามตามสมควรการในพระพาาุทธศาสนาถึงแม้ว่าพระพุทธองค์จะเสด็จดับคันทธทบิติภานเปนานแล้วแต่คำสอนอยังดำรงอยู่ให้เราศึกษาปฏิบัติอาตมาภาพก็ขออนุมโมทนากับทุกท่านที่ตั้งหตั้งใจมาบาเพ็ญบุญําเพ็ญกุศล แสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องของบุญพิธานศิลภาวนาว่าเมื่อได้ทากองการกุศลนี้แล้วผู้ที่ทาน้อยแน่นอนไปสู่สวรรค์ผู้ที่ทามากขายันตั้งใจมีอิทธิบาทยอมจะได้รับผลอันที่สุดคือถึงพระนิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัย ก็ขออนุโมทนาอุทิยอวยพรได้แสดงทำมาเห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอหวังก็มีด้วยประกาละชะนี